ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายฟังคำอธิบายสักสิบนาทีเสร็จการเจริญพระกรรมฐานตอนนี้เป็นการปฏิบัติในหมวดของอภิญญาในตอนที่เรียกว่ามโนยิทธิซึ่งแปลว่ามีลิฏทางใจเพราะการปฏิบัติแบบนี้มีนมาในหลักสูตรของพระพุทธศาสนา ในการสอนแบบนี้เป็นการสอนเฉพาะบคุคคลที่ได้แล้วมาในชาติก่อนฉะนั้นการปฏิบัติจึงได้ง่ายมีหลัมมีส่วนมากมาวันเดียวก็เริ่มได้อย่างเช้าวันที่สามก็ได้เมื่อท่านที่ได้ถึงวันที่สามนี่ครูถือว่าฝึกมากเต็นทีแล้วมีการปฏิบัติประจำฐานนี้อย่างนี้ บางท่านเลยคิดว่าเอาสายาสตร์เข้ามาช่วยแต่ความนี้ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่การสอนกรรมฐานมีสองแบบบุคคลที่ไม่เคยได้มาแล้วในชาติก่อนเขาสอนแบบหนึ่งประเภทนีนานหน่อยถ้าจะปฏิบัติแปดนี้ต้องใช้เวลาั้งสิบปีเป็นอย่างน้อยจริงจะได้สาหรับท่านที่เคยได้มาแล้วในชาติก่อนก็ไม่เคย3สามวันก็ได้ เหมือนกับว่าของที่มีอยู่แล้วจะไม่รู้จักใช้แนะนำแค่การใช้ตนเองการปฏิบัติกรรมฐานทุกหมดปัญดาแต่พุทธบริษัทพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหวังให้ทุกคนถึงพันิุภาณฑ์ทั้งหมดแต่ว่าหลักสูตรวิชาสามก็ดีอภิญญาหกก็ดีพระพุทธเจ้าให้รู้ตามความเป็นจริงว่าตายแล้วมีสภาพไรศูนย์ มนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรมมีจริงสามารถรู้ชาติได้ก่อนจะตายรู้ว่าจะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะมีความสุขความทุกข์ไปยังไงการทาบุญกองบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมีผลไปยังไงสามารถติดตามผลบุญได้บาปอกุปสรรคเก่าๆจะสามารถให้ผลเราถึงไหนเราสามารถจะรู้ได้แล้วเราก็สามารถหลีกเลี่ยงนี้ คลขงบาปเก่าสามารถไปสวปปรรค์ไปพรทมโลกนิพญาณได้โดยบาปตามไม่ทันฉฉนคำวันดาธรรมพุทธริษัททุกท่านให้ตั้งใจปฏิบัติที่ความจริงใจแล้วก็จงทาตนเป็นคนคล่องตัวเวลาครูถามให้รีบตอบถ้าเ็าถามสองครั้งไม่ตอบให้ครูวงวดไม่ถามคนนั้นต่อไปเพราะว่ามีนิสัยไม่เอาจิงการปฏิบัติ อภิญญาต้องเป็นคนจริงจังมีคนเฉลาดมีการคล่องตัวถ้าเอออ้าทวงเวลาของอื่นเขาปล่อยไปเลยอย่าสนใจวิธีปฏิบัติขบัรดาแทนพุทธบริษัทก็คือว่าให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกตามมัลละมะเวลาให้ใจออกนึกตามอภัตตะ เวลารู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ดีภาวนาตามก็ดีลอย ใ, ใจไปตามปกติอยาบังคับลมหายใจเข้าออกอหายใจเบาๆมันจะไม่รู้ตัวหายใจแรงๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้ร่างกายใจใจเบาให้ใจแรงก็เป็นเรื่องของร่างกายเราเอาสติสัมปชัญญะเข้าไปรับรู้เท่านั้นเพื่อจิตไปสมาธิ ถ้าขนะดใดจิตกู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลานั้นจิตจะสมาธิในอนาปานสติกรรมฐานและก็รู้คำภาวนาด้วยก็เป็นสมาธิในคำภาวนาเพื่อเป็นพื้นฐานให้ได้ทิพยกุญานในเบื้องต้ น, ตน <c oughs> และต่อไปครูจะแนะนำให้บรรดาธรรพุทธศาสพริเกธุลละกิเลสตอนนั้นความเป็นทิฏจีนเกิดจึงจะเกิดขึ้น ฉันเวลาที่ท่านภาวนาก็ดีรู้ลมให้ใจเขาออกก็ดีแต่ตอนนั้นจงอยากอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดให้ตั้งใจรู้ลมให้ใจเขาออกรู้คำภานวนาเฉยๆขณะที่ครูเข้าไปแนะนําเมื่อเวลาปฏิบัติอย่างนี้ขอบรรดาเทพธุ์ธบริษัทธ์จงยาให้ บ, หบริวารห้ามกายเข้ามาครอบงําจิต ถานิวรณ์ห้าประการเข้ามาครอบงำจิตแม้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งท่านไม่สามารถจะสร้างความเป็นทิพย์ให้เกิดขึ้นในจิตได้สมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดความเป็นทิพย์ก็ไม่มีฉะนั้นการปฏิบัติวันนี้ของท่านไร้ผลด้วยการทั้งปวกไม่มีผลฉะนั้นขอบรรดาลแทนพระเดชชนจงอย่าเป็นคนโง่ปล่อยจิตเป็นท่าของนิวรณ์หาประการแ่เพราะเวลาปฏิบัติ อุปัยบรนการที่เราจะไม่นึกถึงมันเลยก็คือหนึ่งความต้องการในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอ ม, มรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศห้าอย่างนี้เราจะไม่นึกถึงเลยเวลาที่จะเรียนกรรมฐานและข้อดีสองเราจะไม่มีลมความไม่พอใจให้เกิดขึ้นเการณีสามจะไม่ปล่อยให้ความง่วงเ ข, ง ข, ง ข, งขงา้ามาครอบงมจิต ใยกาลีสี่ 4, จะไม่ปล่อยลมฟุ้งซ่านนอกเรี่อต่อรอยนอกคำภาวนาเข้ามาแทรกแสงหัวใจในเวลาปฏิบัติใยกาลีห้าจะไม่สงสัยในความรู้สึกตามความเป็นจริงทั้งห้าอย่างนี้คือหนึ่งดไม่สนใจในรูปเสียงโรกสวยเสียงเพ้ากลิ่นหอมรดอร่อยสัมัสสว่างเพศยงดความไม่พอใจงดความว่วง รดอารมณ์ฟุ้งซ่านรดความสงสัยทั้งห้าอย่างนี่ถ้าไม่มีในใจของบรรดาท่านบริษัทเมื่อใดเวลานั้นจิตของท่านเป็นชันพันทีหรือมรไม่สมาธิขันโสงเมื่อสมาธิทรงตัวแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาเป็นตัวตักกิเลสปัญญาตัวนี้ก็คิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชีว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์หิวก็ทุกข์ โภชาระประสวะก็ทุกข์ทำกิจการงา น, น, นต่างเหนญ่อยกระทุกขวยไข่ไม่สมบายก็ทุกข์ความตาดธนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความพัฒนาจะของและของชอบใจก็ทุกข์ความแ ก, ก, ก่ก็ทุกข์ความตายเขามถึงก็ทุกข์คิดว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติก็มีความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอีกแต่เราก็ไม่ต้องการความเบียดบันดาแลือเป พราเทวดาและผมมีความสุขแต่เป็นความสุขจริงแลแต่ไม่นานเมื่อหมดบุฒิสนาบารมีต้องกลับมาทุกใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการานิพพานถ้าจิตใจเทวดาจะพุทธประศักดิ์ไข้คนตามนี้จนท่านจิตใจสบายมีความต้องการคือจิตเป็นสุขมีความต้องการอย่างเดียวว่าเราต้องการพนิพานเป็นที่ไปเราไม่ต้องการมนุษย์สโนกที่มนโลกหรือคมนโลก เมื่อจิตสบายมีสภาพแจ่มใสดีแล้วก็เริ่มภาวนาให้ใจเข้านึกตามวันามาให้ใจออกนึกตามอภาถตอย่างนี้ความเป็นติปก็ท่านจะแจ่มใสมากแต่วก็ท่านก็มีโอกาสที่จะไปได้ท่องเที่ยวในพุทธ ต, ต่างๆได้เปลี่ยนความสงสัยได้ในวันนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้วคอยตัวเขแนะนําให้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ แล้วก็เอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานคอยโครูผู้แนะนำอย่างนี้ทุกคนยินมีการคล่องตัวมากแถ้าหาว่าเข้าไปในจุดใดเห็นไม่ชัดไม่เจณนไม่แกมไม่ใส่ดยการเห็นมีวงแคบให้รัตนาขอบารมีพระเจ้าช่วยว่าในที่นี้มีท่านผู้ใดบ้างขอเห็นทั้งหมดและขอบารมีมรมร ก, ก็ะองค์สมบัติพระสัมมาสุเจ้าให้เห็นชัดเกณฑแมใสทุกคนทุกท่านที่อยู่ เท่านี hmm. ้การเห็นท่านจะกว้างขวางและแจ่มใสและมีการคล่องตัวเฉพาบท่านที่ปฏิบัติใหม่ให้เข้าใจตามนี้คือคําว่าทิพยจุกุยานี้ไม่จะแปลว่าหลูกตาเป็นทิพย์นั่นหมายความว่าจิตเป็นทิพย์เพราะคําว่ายานี้แปลว่ารู้ถ้าแปลตามศัพท์จริงๆก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์ แต่นั้นทุกคนขอให้ถือความรู้สึกเป็นอย่างสำคัญจะถือตัวหินทั้งเท่าที่อธิบายแบบที่อยู่เสมอจะยังมีคนหลงผิดอยู่อันนี้ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะครูมีหน้าที่อย่างเดียวคือแนะนำตามที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าขาตาโร ต, ถ า, า ต, าตถาคตะตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเธอจะทำได้หรือไม่ได้เป็นหน้าที่ของเธอ เรอของบรรดาแต่พเพื่อบริษัทที่ตั้งที่นี่ก็เหมือนกันถือว่าบอกแล้วให้ทำตามถ้าาว่าท่านไม่ทำตามท่านไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่านเองช่วยหรืออะไรไม่ได้เจ้านั้นทุกคนในทีอความรู้สึกของจิตจะถือภาพเห็นเป็นสาคัญถ้าถือภาพเห็นเป็นสาคัญนี่มันจะช้าเกินไปเพราะการเห็นไม่แน่ น, นอนนักสุรตัตน์ร่างกาย ถ้ามีความรู้สึกอย่างไรครูว่าถามตอบทันทีตามความรู้สึกและไมนจะไม่ผิดเพราะความสิกครั้งแรกเป็นความจริงเสมอตรงความเป็นจริงบางท่านคิดว่าอาจจะคิดไปเองบ้างอาจจะเป็นอุบาทานบ้างไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของท่านที่มีความฉลาดมากเกินไปหรือว่าท่านไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงอุบาทานอาจจะเกิดได้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครูช่วยเหลือไม่ได้ วันไวแต่ว่าท่านจะช่วยตัวเองกันเท่านั้นต่อไปครูจะให้ปฏิบัติเมื่อเมื่อถึงตอนนี้ไปก็บรรดาทั้ง่านพวกคนสัท์ทั้งหลายครูจะให้ท่านภาวนาจริงๆเงียบๆสิบนาทีเมื่อถึงเวลาสิบนาทีแล้วตอนนั้นจะมีครูเข้าไปสอนแต่การที่ครูเข้าไปสอนนี่คนมากวยกันที่จะไล่เบี้ยทุกคนไม่ได้ ให้ถือว่าเขาถามคนใดคนหนึ่งให้ถือว่าถามเราด้วยถ้าการตอบให้ตอบพร้อมกันเหมือนกัเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนนี่คล่องตัวมากเวลาครูถามเขาจะตอบพร้อมๆกันผู้ใหญ่ก็ควรทําอย่างนั้นเพราะครั้นี้ว่าผู้ใหญ่เป็นเป็นผู้สั่งสอนเด็กถ้าเด็กทําได้คล่องตัวชั้นใดผู้ใหญ่คุณจะทําได้คล่องตัวมากกว่าเด็กก็สั่งสอนเขา ถ้าครูเขาแนะนำอย่างไงครูที่แนะนาในการตัดกิเลสเวลานั้นแห้นอนน้อมจิตตามไปจิตจะว่างจากกิเลสถ้าว่างจากจิตว่างจากกิกเลสความเป็นทิพย์เกิดขึ้นเขาจะเห็นว่ามีความทิพย์เขาจะถามว่าเวลานี้มีท่านพุทใดมาอยู่ข้างหน้าบังเขาถามเรื่ความรู้สึกว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่าท่านพุทใดมาอยู่ข้างหน้าบาง ถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบพร้อมกันทันทีว่ามีเขาถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทาี่บรรดาก็ดีพรมก็ดีท่านมามากอาจจะครเห็นว่าหญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ให้ตอบตามความรู้สึกของตัวเองพร้อมกันท่านเท้าถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกของตัวให้เชื่อมั่นในความรู้สึกอย่างนี้บรรดาเทพพุทธบริษัทจะมีการคล่องตัว และความรู้สึกครั้งแรกจะไม่ผิดตรงกับความเป็นจริงคําว่าทิญยาณต้องแบ่งเป็นสามท่านแต่งกาลังใจขบรรดาเต็นพุทธบริษัทท่านที่มีความเป็นทิพย์ทางจิตอย่างอ่อนจะมีแต่ความรู้สึกแต่จิตไม่เห็นภาพให้ตอบต่างความรู้สึกท่านที่มีความเป็นทิพย์อย่างกลาง เมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพไม่ชัดเนจนแจ่มใสให้ตอบตามความรู้สึกของจิตท่านนี้มีความเมป็นทิพย์อย่างสูงละเอียดมากเมื่อมีความรู้สึกและจะเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากให้ตอบตามนั้นนลรขออนุญาตท่านพุทธบริษัททุกท่านจงอยลืมว่าการปฏิบัติอย่างนี้เราปฏิบัติเพื่อนิพพาน ให้จิตถ้าจิตตั้งหวังไม่เฉพาะนิปานเรามีความนาเกียรติในการเกิด เ, เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วยผมถ้าจิตนิยมทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ทุกคนวันนี้มีสภาพแก่มใสหมดให้กายคล่องตัวหมดแล้วตอนนี้ไปขอสาวกุกองสมเด็จพระบรมสุคตตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจก็ออกให้ใจเข้านึกวนนะันละมา ใ, ใจออกเนือพาทะ นับตั้งแต่เวลาที่ครูขเข้าไปสอนไปต้นไปนี่เขาจะให้เวลาท่านภาวนาสิบนาทีหลังจากนั้นครูจะเข้าไปสอนนับตั้งแต่เวลาที่ครูขเข้าไปสอนไปต้นไปจะให้เวลาไว้หนึ่งชงั่วโมงเมื่อถึงหนึ่งชงั่วโมงผู้ควบคุมจะให้สัญญาณบอกวันเลิกเลก่นข่บรรดาธรรมพุทธบริษัทให้เร่งรัดตัวเองอย่าช้าเกินไปนี่ฉะนั้นจะไม่ทันเขาตอนนี้ไปข่าบรรดาทรามพุทธบริษัทหลายเรื่องปฏิบัติได้